ปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยการทําความดีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะแต่ว่านอกจากการทําความดีแล้วเนี่ยการเห็นความจริงหรือเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนี่ก็สําคัญไม่น้อยเลยนะอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่า ถ้าเห็นความจริงหรือเห็นสิ่งต่างๆความเป็นจริงเนี่ยก็จะเห็นถึงความสําคัญของการทําความดีเห็นความจริงก็ทําให้จิตใจเนี่ยใฝ ไ, ไปในทางที่ดีและเมื่อทําดีและเห็นความจริงรู้จักวางใจให้สอยคล้องกับความเป็นจริงมันก็จะเกิดความสุขตามมาอย่างเช่นนะ ถ้าหากว่าได้เห็นความจริงที่เรียกว่าความจริงอันประเสริฐสิประการเนี่ยหรืออธิรรษฐ์สีเนี่ยมันก็โน้มให้ผู้คนเนี่ยหันมาทำความดีไม่ว่าความดีทางกายวาจาหรือว่าการฝึกใจให้ดีด้วยการภาวนาหรือว่า อาศัยสัมมาสติสัมมาสมาทิสัมมาวายมะเป็นตัวสนับสนุนและสิ่งที่เกิดจะเกิดตามมาคือความสุขหรือว่าความพ้นทุกข์ที่เรียกว่านิโรธซึ่งก็เป็นความสุขอันประเสริฐนะเป็นความสุขอย่างยิ่งความดีความสุขและความจริงเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมากในพุทธศาสนา และตัวที่เป็นหลักเป็นประธานเนี่ยคือการเห็นความจริงความจริงเนี่ยนะมันมีมากมายหลายประการแต่ถ้าเห็นความจริงอย่างเดียวเนี่ยที่เรียกว่าอริสัตย์สีนี้ก็เรียกว่าพอแล้วล่ะเพราะว่ายอมทำให้เห็นความจริงเกี่ยวกับทุกข์และความจริงเกี่ยวกับการดับทุกข์ซึ่งก็ย่อมนามาซึ่งความสุข อันี้สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราเนี่ยเห็นความจริง ห, หรือเห็นสิ่ ง, ต, งต่างๆตามความเป็นจริงเนี่ยสิ่งนั้นคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ อ, อวิชชาคือความหลงแต่สิ่งที่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคไม่ให้คนเราเนี่ยเห็นความจริงเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นอีกนะนอกจาก อ, อ, อวิชชาเนี่ย ในพุทธศาสนามันจะมีคำคำหนึ่งนะคือคำว่าวิปลาสนะวิปลาศเนี่ยภาษาไทยก็แปลว่าฟั่นเฟือนนะแต่ว่าภาษาบาลีความหมายคือว่าการรับรู้รหรือรู้เห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือว่าผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงนะซึ่งมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน ก็วิปลาเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะระดับพื้นฐานเนี่ยก็คือสัญญาวิปัลาสคือการหมายรู้ที่ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างเช่นง่ายๆเนี่ยนะคนที่กลัวความมืดเนี่ยพอเห็นเชือกเนี่ยก็อาจจะนึกว่าเป็นงูหรือหมายรู้ว่าเป็นงูมองว่าเป็นงู อันนี้ก็เป็นสัญญาวิปลาชอย่างหนึ่งนะหรือว่าเห็นรากไม้ในยามค่มคืนนะหรือเห็นเก่าของมันเนี่ยนะก็นึกว่างูหรือเห็นเป็นงูเนี้ย น, นี่เรียกว่าสัญญาวิปลาชหรือว่ามีเสียงลมพัดก็นึกว่าหรือเข้าใจเป็นเสียงร้องของคน เสยนวิดวิวเนี่ยเสร็จ แ, แล้วเกิดความตื่นกลัวขึ้นมาอันนี้ก็สัญญาวิปลาสนะคนที่นอนคนเดียวนะในวัดเนี่ยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยหนูเนี่ยมันเดินรอบกุฏิแล้วมันก็เหยียบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งเนี่ยบางคนเนี่ย ก็นึกว่ามันเป็นเสียงคนเดินคนแปลกหน้าเดินรอบกุฏิเราตกใจกลัวเนี่ยอันนี้ก็สัญญาวิปลาชที่บนเขาเนี่ยนะตะกอนเนี่ยหอไตเนี่ยตั้งอยู่ตรงนั้นแหละมันจะมีเสียงสัตว์นะเสียงอีเหตุเนี่ยกลางคืนมันจะร้องหลายคนเลยนะนึกว่าเสียงผู้หญิงกำลังร้อง ก็โอสงสารไม่ได้ผู้หญิงจะร้องได้ยังไงนะเสียงผีหรือเปล่าเนี่ยไปโน่นเลยเนี่ยนี่ก็สัญญาวิปราณจําได้ว่าตอนขึ้นไปอยู่หอใตใหม่ๆนะวันแรกๆเลยก็มีพระเนี่ยที่ท่านอยู่ท่านเตือนเลยนะจะดึเสียงเหมือนกผู้หญิงร้องโอยโอยนะอย่าไปตกใจนะมันเสียงอีเห็นนะ แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยหรือคนที่ไม่ได้ฟังคําเตือนมาก่อนเนี่ยพอได้ยินเสียงนี้มันก็นึกไปเล่าว่านะเป็นเสียงผู้หญิงกำลังร้องครวญครางหรือร้องขอความช่วยเหลือก็ทําให้ตกใจได้นอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นสัญญาวิปลาดอย่างหนึ่งนะซึ่งก็เกิดขึ้นได้กับ เพราคนทุกๆคนเลยก็ว่าได้โดยเพราะในเวลาที่มีความกลัววิปลาสประการต่อมาเนี่ยคือจิตวิปลาสนะคาว่าจิตนี่ท่านหมายถึงความคิดนะความคิดที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะ้าคนบ้านเนี่ยนะเขาจะไดิ้นเสียงหรือคนที่จิตฟันเฟืองเนี่ยเขาจะได้ินเสียงร้อง หรือเสียงคนพูดคุยกล้องอยู่ในหูอันนี้จะเรียกเป็นจิตวิปลาชได้แบบหนึ่งหรือว่าเห็นคนเดินมาก็นึกว่ามีใครจะมาทำร้ายเขาไปมองคนที่เดินเข้าหาว่าเนี่ยจะมาทำร้ายตัวเองตกใจนคว้าไม้คว้าอะไรก็ตามที่จะมาเป็นอาวุธได้ หรือว่าไปคิดว่าเนี่ยหญ้านี่คืออาหารนะในความคิดที่มันคล้ายเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยก็เรียกว่าจิตวิปลาสแต่ก็ไม่จงเป็นต้องเป็นคนที่สติฟั่นเฟือนนะถึงจะมีวิปลาสแบบนี้คนที่ปฏิบททัติทมทำกรรมฐานอย่างอุกฤษอย่างเข้มข้นเนี่ยบางคนเนี่ย ก็ไปคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์ละบรรลุธรรมแลเพราวายานอย่างรู้เกิดขึ้นมามากมาย อ, อันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะสมัยอยู่ที่วัสนามในเมื่อตอนที่หลวงพ่อเทีย น, นท่านยังมีเรี่ยวแรงสอนพระเนนอยู่อ้มีอยู่เรื่อยๆ เ, เลยนะพระที่เกิดวิปัสสนา วิปัสสนูปกกิเลสนะแล้วก็หลงคิดว่าตัวเองเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วบางทีนะไปสอนคนนั่นคนนี้ไปสอนแม้กระทั่งหลวงพ่อเทียนเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามีความวิปลาชั่วขณะกว่าจะออกจากวิปลรราสนั้นได้ก็ใช้เวลาหรือบางทีก็ เห็นนิมิเห็นแสงสีต่างๆไปคิดว่าตัวเองเนี่ยนะไปท่องนรกหรือท่องสวรรค์เนี่ยทั้งที่มันเป็นแค่ความคิดเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าจิตวิปลาสนะแต่ว่าคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ใช่คนบ้าหรือคนที่ไม่ได้เจอวิปัสสนุปกิเลสนี่ก็มีโอกาสที่จะมีจิตวิปลาสได้นะ อย่างเช่นอนอนอยู่มีวมม่วงตกลงมาบนหลังคาตกลงมาเป็นระย ะ, ะ, ยะก็ไปคิดว่าเพื่อนบ้านนี่แกล้งโยนหินนะลงมาที่หลังคาเพื่อนบ้านนี่คิดไม่ดีจะมาแกล้งนะเอาก้อนหินโยน แบบนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดความรู้สึกกลัวหรือเกิดความรู้สึกคับแค้นตามมามันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาข้าเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือว่ากลางค่ำกบางคืนเนี่ยเห็นเงามันวุบวิบวุบวิบเนี่ยวุบไหวเนี่ยก็นึกว่าผีหลอกตัวสันเลย อันนี้ก็จิตวิปลาสได้นะเรียกว่าจิตวิปลาสความหวาดระแวงเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยวิปลาสได้เหมือนกันนะในทางความคิดเนี่ยอย่างเช่นผู้หญิงที่เกิดมีสิวบนใบหน้าเนี่ยก็รู้สึกอับอายโดยเฉพาะหญิงสาววัยรุ่นเนี่ยเวลา ขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าไปห้างเนี่ยเห็นใครเนี่ยมองหรือส่งสายตามาที่ตัวเองก็คิดว่าเนี่ยเขามาจ้องดูสิวของตัวนะมีอาการนะดูถูกนะว่า หน้าตาไม่หมดจดไม่สะสวยมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนมองมาที่ตัวเองเมาดูสิวเนี้ยรู้สึกย่าแย่อันนี้ก็เรียกว่าจิตวิปลาดได้นะคือระแวงหรือบางทีทำงานก็ระแวงว่าเพื่อนๆเนี่ยเพื่อ น, นนะอร่วมงานที่ก็จะมาคอยแทงตัวเองข้างหลังหรือว่าคอยนินทารับหลัง มองไปทางไหนเห็นคนซุบซิบกันก็คิดว่าเขานินทาฉันอ่ะอย่างนี้ก็ทั้งที่เขาก็ไม่ได้พูดถึงตัวเองเลยสักหน่อยอย่างนี้ก็จิตวิ ป, ปลาสได้เหมือนกันนะหรือในทางบวกเนี่ยนะเห็นคนมองก็ไปเชื่อเนี่ยเขาชอบฉันเขาหลงรักฉันนะคิดปรุงแต่งไปเป็นความคิดที่ข้ า, า, า้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ จิตวิปลาดและวิปลาดประการต่อมาเนี่ยก็คือทิฏฐิวิปลาดนะคือความเห็นที่คาดเคลื่อนอย่างเช่นถ้าเห็นไปหลงคิดว่ารากไม้เป็นงูเนี่ยตรงนี้ก็งูตรงนั้นก็งกูก็เลยลงความเห็นว่าเนี่ยที่นี่งูฉมเนี่ยทั้งที่ไม่มีงูสักตัวเนี่ยนี่ก็เรียกว่าทิฏฐิวิปลาด แต่ว่าที่แย่คือการที่ที่เขาเรียกว่าเห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบนะอันนี้เนี่ยแย่เลยนะเพราะว่ามันชักนาไปในทางทำความชั่วหรือการคิดว่าเนี่ยมีความเห็นว่าเนี่ยทำดีแล้วไม่ได้ดีหรอกนะนั่นก็มีคนคิดแบบนี้เยอะนะทำดีแล้วไม่ได้ดีหรอกงั้นก็เลย ไม่คิดที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะทำชั่วทุจริตก็ทำอันนี้พ่อมีที่ทิวิปรรา์และทั้งสามประกาศเนี่ยนะมันที่มันสำคัญก็เพราะว่ามันจะโยงมาสู่ความพิป ร, ราา์ที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์เลยนะนั่นคือ วิปลาสในสิ่งที่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงวิปลาสในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหรือวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์นะว่าเป็นสุขหรือวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามเนี่ยอันนี้คือวิปลาสที่สําคัญมากเลยนะที่ จะเรียกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็หลงซึ่งมันก็สัมพันธ์กับการที่มีสัญญาวิปลาชจิตวิปลาชทิฏฐิวิปลาชรวมลงมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความวิปลาชในสีประการเนี่ยคือความเห็นว่าเนี่ยสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนสิ่งที่ไม่งามว่างาม อันนี้ก็เปยว่าปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยรแล้วแต่หลงหรือพลัดเข้าไปในความวิปลาสแบบนี้กับทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนที่ฟั่นเฟือนนะเป็นคนที่บ้าอย่างเดียวคนดีๆก็นะอยู่ในวิปลาสแบบนี้ซึ่งมันก็ทำให้เกิดความทุกขนะ์นะบางคนจะบอกว่าโอย ฉันก็รู้ว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงนะแต่จริงๆเนี่ยในส่วนลึกเนี่ยมันก็ยังมนะีความเชื่อว่าเที่ยงอยู่จึงเกิดความหลงยึดนะถ้าว่าเราเชื่อว่ามันไม่เที่ยงหรือเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยเวลาเงินหายนะเวลารถเสียเวลาโทรศัพท์ เสียหรือว่าเวลาคนรักเกิดเจ็บป่วยล้มหายายจากขึ้นมาเนี่ยย่อมไม่เกิดความเศร้าโศกแต่ทำไมเราเนี่ยถึงเศร้าโศกเสียใจนะเวลาเงินหายเวลารถเสียหรือว่าถูกขมโมยไปหรือว่าคนรักล้มหายตายจากไปก็ยังมีความเพราะเพราะเรายังมีความหลงนะคือเชื่อว่ามันเที่ยง รวมทั้งเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นทุกข์บ่นโวยวายตีโพยตีพายก็เพรกะลื่นๆเนี่ยเราเชื่อว่าร่างกายนี่เป็นสุขนะก็เลยหลงยึดนะแต่พอมันเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นทุกข์ไปการที่คนเราเนี่ยจะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าเรานะีไม่ปล่อยให้วิปลาสเนี่ยมันเข้ามา ครอบงำไม่ว่าจะเป็นสัญญาหรือว่าจิตหรือว่าทิฏฐิน่าจะทำงั้นได้ยังไงนะท่านก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องเจริญสิ่งที่เรียกว่าอนิจจสัญญารวมทั้งอนัตตสัญญาด้วยหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าการกำหนดหมายในความไม่เที่ยงของสังขาร นะกำหนดหมายในความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งทั้งปวงแล้วที่สังมาญาณคือกาหนดหมายในความไม่งามนะของสังขาร ท, ท, ท, ที่ท่านเรียกว่าอสุภัสัญญาอันนี้มันเป็นการภาวนาแบบหนึ่งนะหรือเป็นการทำกรรมฐานนะทีนะ่ถ้าว่าเราละเลยเนี่ย แม้ะทำความดียังไงก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เพราะเวลาเจอความพัดพ่าสูญเสร็จเวลาเจอความเจ็บปวดขึ้นมาก็จะโศกเศร้าคร่ำครวญอันนี้จะสัญญาเนี่ยนะมันก็หมายถึงการที่เรายามที่จะพิจารณานะสิ่งต่างๆหรือเห็นสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยง การที่เราจะเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการที่เราจะเรียกว่าย้ำเตือนตัวเองบ่อยๆก็ได้สัญญาเนี่ยคือความจำได้หมายรู้เนี่ยการที่เราจะหมายรู้สิ่งต่างๆได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเติมสิ่งนั้นเข้าไปในใจที่เราอินพุตเนี่ยถ้าเราไม่เติมสิ่งนั้นเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถ ก, กำหนดหมายได้ อย่างจริงใหม่ๆหลายอย่างเนี่ยนะเช่ น, นที่ช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ย ATK เนี่ยแต่ก่อนไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่พอเราเห็นชุดตรวจ ATK เนเราก็มีการใส่ข้อมูลลงไปในสมองของเราว่าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะมันเป็นแท่งเล็กๆนะขนาดเท่ามือนะแล้วก็มันมีมันใช้ตรวจวัด เชื่อไวรัสโควิดนะพอเราเติมข้อมูลลงไปใส่ข้อมูลลงไปในหัวเนี้ยพอเห็นมันเราก็จําได้ในการเจร์ที่จะสัญญากันเหมือนกันนะคือการเติมข้อมูลลงไปนะว่ า, าเวลามองเห็นสิ่งต่างเนี่ยเราก็เห็นอดอกไม้มันก็เหี่ยวเฉานะใบไม้มันก็ร่วงนะต้นไม้มันก็ขึ้นแล้วก็มันก็โคตรลงไปหรือว่า เหี่ยวเฉาไปน้ําที่เต็มดูดูไม่ไม่น้ําก็กลายเป็นแห้งไปอัเ น, นี้เราก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเติตมสิ่งนั้นเข้าไปรวมทั้งเอามาพิจารณาดูกายด้วยนะกายขอยงเรามันก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนะไม่ว่าอยู่ในเอเรียบทใดก็อยู่ไม่อาจจะอยู่เอเรียบทนั้นได้นานๆต้องเขยื่อนขยับอยู่เสมอเพราะถ้าไม่ขยื่อนมันก็ เกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมานี่ก็เป็นตัวชี้ว่าเนี่ยสังขารมันเป็นกองทุกข์มันเลยต้องแปลเปลี่ยนอยู่เสมอต้องเปลี่ยนรี่บทอยู่เป็นประจำหายใจเข้าอย่างเดียวไม่พอต้องหายใจออกแม้กระทั่งกระพริบตาเนี่ยเราก็ต้องกระพริบตาบ่อยๆเพราะถ้าไม่กระพริบตามก็ปวดเมื่อยอันนี้มันแสดงถึงความ เป็นทุกข์ของสังขารที่ต้องบำบัดด้วยการเปลี่ยนเรียบบทหรือการเคลื่อนไหวมันก็นำไปสู่ความไม่เที่ยงเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยมันก็ค่อยๆค่อยๆเห็นชัดถึงความจริงว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยนะียและมันไม่ใช่แค่ภายนอกอย่างเดียวนะเวลาเราพิจารณาหรือเข้ามาดูใจของเราเนี่ยมันก็เห็นความทีละลมที่มันแปรเปลี่ยนตลอดเวลา แต่ก่อนไม่สังเกตนะมันก็เลยไม่เห็นชัดถึงความไม่เที่ยงนะของอารมณ์และความคิดแต่ว่าพอมาดูไม่ใช่แค่ดูกายอย่างเดียวดูใจด้วยมันก็เห็นนะใจเรามันแปรเปลี่ยนเป็นนิดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มพูนนะเสริมสร้างอ น, นิจจสัญญาขึ้นและเช่นเดียวกันนะเวลาเราดูกายดูใจเราก็เห็นว่าเออมันไม่ใช่ของเราเลยนะ มันไม่ใช่ตัวตนหรือตัวเราของเราเลยเพราะถ้ามันเป็นตัวเราของเราเราก็บังคับบัญชาได้สั่งไม่ให้มันปวดสั่งไม่ให้มันเมื่อย้ถ้าเป็นของเราต้องสั่งได้แต่มันมันไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของเราบทจะปวดก็ปวดบทจะเมื่อยก็เมื่อยใจก็เหมือนกันนะอยากให้มันสงบแต่มันกลับคิดแถมฟุ้งเข้าไปอีก บังคับไม่ได้เลยอารมณ์และที่บังคับไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีเหตุปัจจัยของมันความกลัวก็มีเหตุมีปัจจัยตอนนี้จะสั่งให้ใจมันโกรธเนี่ยก็สั่งไม่ได้นะเล่นแต่ว่าไปนึกถึงคนที่เขาด่าเราพอนึกถึงคนที่เขาด่าเราหรือนึกถึงคำที่เขาต่อว่าด่าทอเราก็เริ่มเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมันต้อง b u อารมณ์นะถึงจะเกิดความโกรธ แต่ตอนนี้จะให้โกรธเนี่ยมันไม่โกรธหรอกเช่นเดียวกันนะดีใจเนี่ยจะให้มันดีใจมันก็มันไม่ดีใจจนกว่าจะนึกนะหรือเบวอารมณ์ um, นึกถึงความรู้สึกดีๆที่เราเคยได้รับในอดีตหรือนึกถึงนึกถึงสิ่งที่เราต้องเจอพรุ่งนี้มาเืนนี้เราจะได้พบเพื่อนเราจะได้พบพ่อแม่เออไปเที่ยวห้างไปเที่ยวต่างประเทศมันก็เริ่มเกิดความดีใจขึ้นมา อันนี้เพ่อว่าแหละพราะมันมีเหตุมีปัจ <laughing> จัยซึ่งบางอย่างในคว่ า, า, า, าทุกอย่างเนี่ยเราคุมไม่ได้ถ้าเหตุปัจจัยมีมันก็เกิดถ้าเหตุปัจจัย ห, หมดมันก็ดับไม่ว่าจะเป็นความกลรธความดีใจและถ้าดูไปดีๆมันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไอความโกรวก็ไม่ใช่เราแต่เพราะพ่อหลงเนี่ยไปยึดว่ามันความโกรวนี่คือเราคือของเราความสุขก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถาถ้าเรามองเป็นนะ โดยเพาะถ้าเร า, าใช้สติเนี่ยในการพิจารณาก็จะเห็นเลยเนาะเวลาความกลัวเกิดขึ้นมาไม่ใช่เราแต่พอเผลอไปยึดว่าความกลัเป็นเราเนี่ยมันจึงทุกข์ไปเผลอนึกว่าความเครียดเป็นเราก็เลยทุกข์นะแต่จริงเนี่ยความเครียดเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราเครียดการที่เราพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการเติมนะอนัตตสัญญานะซึ่งทาให ไอ้ความวิปลาสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฐิวิปลาสนะในความไม่เที่ยงว่าเที่ยงในความไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเนี่ยมันก็จะค่อยๆบรนเทาเบาบางรวมทั้งการที่เราเจริญอสุภัสสัญญาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ในความวิปลาสนะในความไม่งามว่างามเนี่ยมันก็บรเทาเบาบาง อย่างเช่นเราสังเกตดูนะพิจารณาดูกายของเรากายของเราเนี่ยที่จริงดูมันดูนเพลิงก็ดูมันสวยนะเพราะมันมีหนังที่ดูราบเรียบแต่พอดูไปลึกๆดูไปใกล้ๆเนี่ยเออมันขรุขระมันเหี่ยวย่นและถ้ามองลึกผิวหนังลงไปนะมันก็เห็นแต่อวัยวะที่ดูไม่งามและแม้แต่จะไม่ต้องดูอวัยวะภายนอก ร่างกายของเราเนี่ยที่ดูงามเนี่ยถ้าไม่อาบน้ำนะถ้าไม่เช็ดหน้าไม่ล้างหน้าเนี่ยมันก็มีแต่จะแย่ลงไปแย่ลงไปเพราะว่าของเสียมันก็ถ่ายเทอยกมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเหงือ่อไม่ว่าจะเป็นคราบใครแต่เป็นเพราะเรานะพยายามทำให้มันงามนะเราก็เลยหลงไปคิดว่าไอสิ่งไม่งามนั้นมันงามนั้นถ้าเราเจริญอสุภัสัญญาเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นความจริงมากขึ้น แล้ว่าไม่ว่าจะเป็นอ น, นิจจสัญญานัตสัญญาเนี่ยหรืออสุภสัญญาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราช่วยขัดเกล ว, วิปลาฏนะที่ทำให้เราเห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงคลายเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเนี่ยมันบรรเทาเบาบางอันนี้ก็เป็ น, นสิ่งที่เราต้องหมั่นฝึกอยู่เสมอเพื่อที่ทำให้ให้ความการที่เรามองเห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ ไม่งั้นเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยข้ า, า, า, า, นน า, า, า้้้้้า้้้้้้้้้้หน้้้้่ า, า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้็้้้้้้้้้้้อ้้้ร้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ย้้้้้้้นะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้ย้่้้้้้ออกกรร้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ิร้้้้ิ้้้้เ้้้้้้้้้้่้้้้้้้น้้้้้้้ สุดท้ายต้องมาลงที่ทิฏฐุชุกรรมนะข้อสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เราจะเป็นบุญกิริยาที่สำคัญคือการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงซึ่งจะทำได้ก็เพราะว่าบรรเทาขจัดปัจปา ว, วิป ร, ราชให้หมดไปนะด้วยการจเจริญภาวนาอย่างที่ว่ามาเอาคำที่พูดท่านี้นะเอากราบครบ